สาัตว์การในท่านสัตว์ชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงใช้เรื่องชาดกมาเป็นหลักในการบรรยายเช่นเคยชาดที่แปลว่าเรื่องซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นนิทานบุคคลที่สะท้อนธรรมะ ซึ่งเมื่จริงก็มีความสมบูรณ์แล้วมีเจตนาแล้วมีการกระทําการพูดการคิดเดียวไปแล้วแลวมีผลที้เกิด ข, ขึ้นจากการกระทําทั้งในขนาดนั้นๆและในขนาดต่อมาอีกแล้วท่เราจะเห็นว่าแบบในชาดกเนี่ยจะไม่เน้นศีลธรรมระดับสูงแต่จะพูดเรื่องระดับศีลธรรมจัญญา เรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศาีลเรื่องการเมตตาเมริษยาไม่แข่งดีไม่ตกเป็นท่าสิ่งเสียติดอะไรแต่แทนเนี้ยคือส่วนใหญ่จะไม่เคยขึ้นไปเว้นไว้แต่ในบางกรณีที่ท่านพูดถึงตัวบุคคลในที่ดันเจริญฌานแต่ปัญญาบรรลุโมาลนไป แต่ว่าสิ่งนี้ท่านสอนแก่คนอ่านมันก็เป็นระดับธรรมะชั้นศีลธรรมจัญญาสําหรับชาดกในที่จะกล่าวนี้ชื่อพิงศรชาดกเป็นเรื่องการตรวจสอบจิตใจของบุคคลที่ปฏิบัติธรรมะยังที่เคยบอกแล้วว่าธรรมะที่ยืมมันก็เหมือ น, นเรื่องอื่น เมื่อกเราขัดถูภาชนะเรารีดผ้าเราเขียนหนังสือเขียนหนังสือก็ต้องอ่านทบทวนดูว่าถูกหรือไม่ถูกไปรเราะหรือไม่เปร์เราะรีดผ้าก็ลองดูวนเปียบหรือไม่ซับผ้าก็ดูสะอาดหรือไม่หรือขัดภาชนะก็ดูว่าสันนิมหมดแล้วหรือสิ่งสกปรกหมดแล้วหรือยังมาตรวาถามว่าใครดูก็เราดูเองเราดูเห็นเองก่อน เคยเห็นดตัวเองก่อนแล้วคนอื่นก็จะดูก็จะเห็นในโอกาสต่อไปผลที่ต้องการจึงจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้นพระพุทธภาคเจ้าทรงประรอบถึงภิกษุรูปหนึ่งในขณะที่ประทับอยู่ที่ ป, ววประเชศตวันก็ปัญหาของพระหนุ่มก็รู้กันนะนะฮะก็ตัวโลก็นหนุ่มก็คือคนหนุ่ม ก็เมื่อก่อนก็ตั้งใจบวชด้วยศรัทธาเดิมใจในศาสนาต่อมาก็ปฏิจัยในสตรีจนเกิดความปราทับใความต้องการที่จะสึการลาเพศออกไปคิดมากคิดไปคิดมาคิดมากก็ในที่สุดเนี่ยร่างกายก็ผ่ายปอมหน้าตาก็ซุบซี่สูญเสียสง่าราศี เนุก็เกิดสงสัยแต่ลักษณะความคิดเหล่านี้เป็นเรื่องที่แปลกนะฮะเคยเคยถามคนที่ที่เ็าเรียกว่าร้อนผ้าเหลืองแล้วสารวจบาลรีท่านเรียกว่ากระสันกระสันจะศึกเขาบอกมันมันมันร้อนแปลกมากมากแล้วก็ จะนั่งตรงไหนจะจะนั่งจะลุกมันร้อนไปหมดเลยผ้า่อนที่นั่งที่นอนร้อนไปหมดก็ อ, อยู่ไม่ได้เล ย, ยต้องศึกมีคนในวันก่อนครบเป็นประี่ยนเก้าประโยคคือแกศึกในวันที่จะข้าวพรรษาเองกำลังจะ ท, ทําพิธีข้าวันรษาตัวเองก็ไปเทศแล้วกลับมาจากเทศมาถึงมันร้อน รุ่มรุ่มใจจนจนจนเอามาอยู่เลยแล้วสึกนะแล้วสึกแล้วก็าหายดอดมันก็แปลกเด็ ก, กนนะัแต่ทีนี้ก็บางค น, นก็ขำกันไปยึกกว่า น, นั้นเยียอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็เรียนหนังสือได้กันแล้วก็ไปทำปัญาโทจากอินเดียมาด้วกันก็เพิ่งรู้ มีคนก็ล่าฟังตีห้าวันวันนี้ทีนี้ก็ร้อนในลักษณะนั้นเนี่ยกเราก็ น, นึกว่าเขาจะอยู่เป็นหลักมา ก, ก่อนความรู้ก็ดีตั้งใจดีแล้วก็ทำงานทำการใน ค, ความรับผิดชอบโนตัดร้อนอยู่ไม่ได้ก็สึกสึกแล้วก็ปรากฏว่า พราผู้ก็จัดการแต่งงานให้ให้ก็ไปแต่งกับกับสาว่นะฮะผู้หญิงสาวเอามันร้อนอีกละอยู่ไม่ได้กะเออก็ต้องเลิกกันก็ไปได้แม่ไม่ลูกติดที่นี้เย็นก็อยู่กันทุกวันอันนี้ปนแปลกอีกแบบอันนี้ก็แปลกอีกแบบแล้วก็ขำดีเงย น, น, นะฮะขำดีเเออมันก็แปลก แต่เราก็ไม่รู้นะฮะมันไม่มีสัมผัสตรงไม่มีประสบการณ์ตรงและการเหล่านี้หยุดยากมากคือบางคราวบางคราวก็ต้องต้องปล่อยไปก่อนนะต้องปล่อยไปก่อนคือปล่อยไปสัมผัส ด, ด้วยตัวเองแล้วค่อยว่ากันทีหลังอีกเที่ยวนึ่งแล้วก็มองเราก็เจอนะฮะเรื่องเหล่านี้ในกัมภีร์อุศะนะคัมีร์บางทีก็ปล่อยสึกไว้ก่อน แล้วก็ไปเอามาใหม่ก็ไปดึงกลับมาอีกเที่ยวเนึ่ว่าตรงนี้มันหยุดไม่อยู่ผู้ก็ไม่รู้เรื่องแล้วหน้า ม, มืดหมดละปล่อยไปกันแล้วไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ไปได้แกนไขปัจจัยเพราะว่าความคิดในช่วงนั้นมันจะไม่มองในเรื่องไม่ดีมันจะมองในแนวดีแล้วก็ไปชี้แจงเข้าแกก็ถือไปขัดขวางแกไปหลอกลวง แ, แกแกไม่เชื่อมมไม่ยอมรับฟังแล้วเพราะงั้นท่างจะปล่อยไปก่อน บางทีก็ปล่อยไปทั้งหลายปีนะก็มีลูกปีเต้าแล้วไปดึงกลับอีกเที่ยวหนึ่งตอนแก่แล้วในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านรับสั่งว่าทำไมเธอบวชในธรรมวิ น, นัยที่มีาศาสดาสั่งสอนดีแล้วจึงเกิดเบื่อหน่ายจากกะเกิดสันจะศึกไปได้นับบวชในสมัยก่อนเนี่ยเขาบวชในรัฐทของฤาษี ก็ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีศาสดาอะไรแต่เขาก็ยังไม่อ่อนไหวไปเรื่องของวัตถุกรรมเหล่านั้นเสร็จแล้วก็รับสั่งเล่าเรื่องชดดกเป็นใจความว่าในอดีตการนั้นมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในตระกูลของพระมหาสาร มีทราบถึงแปดสิบกนกรชื่อว่ามหาการจนะต่อมาก็มีน้องชายทยอยกันมาเด่กก็บอกชื่ออยู่เพียง 2-3 งสามชื่อก็เป็นอุปการตนะแล้วก็น้องสาวคนเลนกน็กลนนเนี่ยชื่อว่าการชนะก็ทองตะนั้นแ่บเรียกว่าทองนั้นแๆก็สรุปว่าทั้งหมดเจ็ดคนพี่น้อง เป็นผู้ชายเสียผมเป็นผู้หญิงเสนหนก็ตามธรรมเนียมพราหมื่อมีลูกแล้วก็ต้องการใจลูกนี่เพราพีก ก, ก, ก็เรื่องจา บ, บ้านตัวตัวไปนะแต่ตรมหาการจะนะนี้ไม่ยอมไม่ยอมแต่งงานก็คิดว่าในฐานะเป็นลูกจะเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อท่านสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะออกบทเป็นฤาษี พ่อแม่ก็พยายามอ้อนบอลขอร้องข่มขูบังคับก็ อ, อธิบายอะไรแต่ไรก็ไม่ยอมไม่ยอมแต่งงานก็ขอให้ไปบอกให้น้องคนอื่นเขาปวดออ่น้องคนอื่นก็แต่งงานก็สืบต่อทรัพย์สมบัติแล้วท่านเองก็จะบวชปรากฏว่าทุกคนไม่มีใครยอมเลยไม่มีใครยอมแต่งงานแต่คนแล้วก็ทั้งเจ็ดคนพี่น้องก็ช่วยกันดูแลพ่อแม่จนจตายไป การชาวบริษัทศพพ่อแม่แล้วพี่ชายก็ขอบวชไอ้น้องทุกคนก็ขอบวชตถลงว่าทรัพย์สมบัติมันจำนวนมากนะฮะแปดสิบโกรแปดสิบโกดก็เท่าไหร่อร้หกสิบล้านนะฮะไม่ใช่ร6 0ิบล้านเลยคือว่าโกดโกดหนึ่งก็สิบล้านนะนะฮะก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะมหาศาลามากๆ แต่มันสลาบไปได้ตรงนี้เป็นเป็นเรื่องคือเป็นพื้นฐานจิตอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ตอบไม่ได้นะฮะว่าว่าใครจะเป็นคนตอบเพราะมันอยู่ที่ระดับจิตของคนในการมองสิ่งต่งตางๆหรือตัวข้างนอกนั้นมัก็คือตัวข้างนอกนะแต่ว่าจิตที่มองสิ่งเหล่านั้นมัมองด้วยจิตระดับใด แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นจากจากจิตที่มองคล้ๆกับของตกเห็นของตกเนี่ยบางคนก็มองตาวาวนะฮะอยากได้หยยบไปก่อนว่ามองซ้ายมองขวาก็เจะของเขา เ, าเลยไปแล้วก็รีบหยิบแล้ววิ่งหนี เด็คนบางคนพอมองเห็นปั๊บมังเกิดสงสารเจ้าของปุ๊บทันทีก็เรียกบอกทันทีนะฮะก็ถ้ยังซ้อยมันก็เส้นเดียวกันของก็อย่างเดียวกันแต่ว่าขึ้นจิตคนเนี่ยมันต่างกันวันนี้ทรัพย์สมบัติจํานวนแปดสิบโบสถแล้วคนทั่วไปเนี่ยมันมั น, มนคงจะทิ้งไม่ได้นะฮะแต่ว่าเมื่อทิ้งไม่ได้มันก็ทิ้งไม่ได้แต่คนที่ทิ้งได้เขาก็ทิ้งได้น่ะต่อมาเขาก็ทิ้งได้ก็ แสดงให้เห็นถึงราคะหรือความกำหนัดในทางเพศเนี่ยลดลงไปโลภะความพอใจหยินดีอยากได้ในสิ่งที่เป็นรูปปะัะถุบันลดลงไปมันก็คงไม่หมดนะฮะว่ายังยังเป็นสามัญชนอยู่แต่ก็ลดลงไปอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่ถึงกับยออเสยบติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันก็สลละละวางได้ มันก็แนวพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเราสังเกตนะฮะแนวความคิดเนี่ยกิเลสมันจางมันน้อยเพราะฉันท่านจึงสามารถสละละวางสิ่งต่ตางๆได้ไม่โกรธคนที่โกรธไม่โลภในสิ่งที่คนทั้งหลายโลภไม่ริษยาในเรื่องที่เขาริษยากันมันก็อยู่ในโลกด้วยกันนะฮะแต่ไม่ใช่หมดกิเลสตเพียงแต่ว่าคุมกิเลสได้ ก็ในที่สุดตกตัวลงว่าก็ไปบวชกันก็นาน้องสาวไปด้วยบวนหมดเลยทัทง้งทั้งทั้งพี่ทั้งน้องไปบวชพี่ชายเนี่ยก็มีความรอบรู้สูงแล้ววังเป็นเพียรแล้ววัก็ได้สมาธิได้ชานก่อนแล้วก็ตั้งอยู่ในฐานะของอาจารย์ของน้องๆ น, นะ แต่ในการบวชคราวนั้นก็กไม่ใช่บวชเท่านั้นมันมีมันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมีธาตุอีกคนหนึ่งมีธาตุสีคนหนึ่งก็สรุปแล้วก็เป็นสิบนะเป็นสิบเนะตอนนั้นเขาบวชก็เป็นสิบก็ไปอยู่สร้างอาศรมอยู่กันทีนี้ไปถึงเนี่ยมันมันเราจะเห็นว่าไ อ, ไอ้ไอ้ความเยื่อใยบูกพันในทรัพย์สมบัติเนี่ย มันหมดไปจริงแต่ความผูกพันทางสายเลือดทางพี่น้องเพื่อนธาตมันยังมีอยู่เพราะนั้นเวลาไปไหนมันก็ไปด้วยกันหาผลไม้ก็เป็นหาด้วยกันออกลับมากันผลไม้กันเสร็จก็นั่งคุยกันเห็นไหมว่ากิเลสตรงนี้มันละได้จริงแต่ว่าตรงนี้มันยังอยู่มันก็มีปัญหาเหมือนเดิมะนะะมีปัญหาเหมือนเดิม แล้วในที่สุดท่านทุเป็นอาจารย์เกิดพระโพธิสัตว์ก็พิจารณาเห็นว่าถ้าคืนอยู่อย่างเงี้ยจะความสงบมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการครุกครีการการเห็นนะการนะการนําเรื่องตัวอะไรพอพูดพูดไปมันก็ดึงเรื่องอดีตมาพูดอะะคนก็จะดึงเรื่องอดีตมาพูดเพราะาเรื่องปัจจุบันมันไม่มีนะฮะเรื่องปัจจุบันก็มีเฉพาะวันนั้นไม่รู้จะเอาอะไรมาพูด เรื่องอนาคตยิงไม่มีใหญ่นะฮะพูดไปก็เพ้อขันเรื่องจริงๆก็ต้องนําเรื่องอดีตมาอดีตมันก็ปนลไปยั่วเยี่ยนไปหมดเลยเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างก็จะมีลักษณะปลูกราวให้จิตใจปล่อยผันในเรื่องต่างๆออกไปคือว่าออกไปข้างนอกนะเดี๋ยววนี้ที่จริงไม่ใช่เวลานี้นะมันเป็นปัญหาทาวรที่แก้ไม่ตกหรือไม่จะทํำ ก็คงปล่อยไปตามกรรมไนะอย่างพระใหม่ที่บวชไม่ว่าบวชที่วัดนี้หรือวัดไหนปัญหาภูเขาก็คือว่าองศาคณาญาติแห่มาห้อมล้อมแย่งเวลาไปคุยหมดไม่ได้อบรมสั่งสอนอะไรกันเลยหาจังหวะนี่ดึงมานี่ยากจริงีนะบางทีนี่มานั่งคุยเนี่ยมาม า, มาทำงานทีนี้นะกลับไปเนี่ยเราทำงานทำสองสามชั่วโมงโยมคนนี้ยังนั่งคุยอยู่เเหมือนเดิม โอ้โหสาหัสสากันมากๆคือคือเรียกว่าไม่ภาษีภาษ า, าจริงๆกันเลยไม่รู้อะไรกันเลยฮะพอพระเขาบวชเด็กก็ต้องการศึกษาต้องการปฏิบัติต้องการหาความสงบให้เขามีโอกาสศึกษาดิทําไมให้เขาบวชแล้วไม่ให้เขาเรียนทําไมพอเสร็จแล้วก็มาดา่าว่าลูกบวชไม่เห็นรู้อะไรเขาตัวเองมาสอนตัวเองอะ่ะ คือไม่มีเวลาเลยนะฮะบางทีนี่รารอหาจังหวะพยายามตอนนี้พยายามจัดตารางเลยจัตารางทั้งสองสามตารางไงนะครับตั้สามจังหวะเช้ า, ชาก็มีภาคบ่ายก็มีสองช่วงแล้วบางทีตอนกลางคืนก็มีอีกมันก็ตอ น, น, นแรกก็ดึงไปได้ฮะต่อมาก็โยมมาดึงไปคุยแต่เองไม่มาขาดเรียนเลยนี่คือคือเรื่องใหญ่ไม่รู้จะพูดยังไงวก่อนก็เขียนหนังสือร้อยใช่ว่านะฮะก็ตอบปัญหาไปก็รู้สึกปีนั้นได้ผลนะฮนะ ในผลพระใหม่เขาก็พออ่านก็เจอข้าวไปแจกก็โยมอ่านแล้วบอกให้อ่านหน้านั้นเลยโยมหายไปเยอะไปเยอะไมหมารบ ก, กวนลูกเยอะ ก, ก็ก็เนี่ยคือคือทำให้เราไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรลูกเนี่ยเราบวชบวชเพื่ออะไรและที่เรามาเนี่ยเรามาเรามาเพื่ออะไรแล้วมันขัดขวางผลประโยชน์ที่เราจะต้องการให้ลูกได้หรือเปล่านี่ไม่ได้คิดอะไรเลย เพื่อนมาแฟนมาน้องมาพี่มาอุตลุดไปหมดเลยเวรกรรมจริงจริ้เยแก้ยากไั่จะพูดยังไงคงต้องปล่อยนะฮะถ้าเลาะกับเรื่องนี้มาตั้งแต่น้นนะตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมาถ้เลาะกับญาติญาติโยมของพระใหม่มาต้าลอดบอกโยมอยามาบ่อๆมาก็ถวายเ็จก็กราบอย่ามานั่งคุยทั้งหลายชั่วโมงอย่างี้สิมันไม่มีเวลาแล้วมันเวลามันเท่านั้นแหละวันยสี่ชั่วโมงโยมมาแยงไเยอะแยะอย่างี้ทำไง มันก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะผลสุท้ายก็ทําอะไรไม่ได้ตรงนี้ก็เหมือนกันเนะ่ยเราจะเห็นว่าความคิดของพระโพธิสัตว์เนี่ยผลสุด ท, ท้ายมันก็คือความเชือ่อใจนะความคุยความผูกพันเราจะเห็นว่าคุยคุยไปคุยมากิเลสมันเพิ่มเรื่อยนะกิเลสมันเพิ่มมันก็นเจอเจอหายไปไหนกันวะผลคุยนี่พระพุทธเจ้าจึงแสดงการคุยที่เป็นมงคลว่ากาเลนะธรรมะสันนังกาเลนะธรรมะสักจ่าอตาาิตมังกัลโมตมังเนี่ย คุยเรื่องธรรมะฟังเรื่องธรรมะจึงจะเป็นอุดมมงคลทีนี้เมื่อเมื่อพระใหม่ก็ยังไม่รู้ธรรมะโยงตัวเองก็ไม่รู้ภาษาอะไรอะมาคุยก็คุยเรื่องบ้านเรื่องคร อ, อ, อบครัวเรื่องนั้นเรื่องนี้อีโรโกแกะกกุกิกกุ ก, กิ ก, ก, กันน่งคุยกันคนละทากิเลสก็เพิ่มฮะยิ่ ก, ก็เพิ่มแล้วพอเพิ่มตอนเป็นพระไม่นจะเพิ่มตอนเป็นกรรวาสเนี่ยมันยิ่งแย่เลยไอ้นี้คือสิ่งที่เราจะเราคุยกันยากมาก การคิดอย่างนี้มันต้องคิดด้วยตัวเองต้องรู้ด้วยตัวเองไนพะระพิทธศาสาต้องเห็นว่าถ้าคืนอยู่อย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร<ม>เพียงแต่เราชิ้งสิ่งที่เป็นวัตถุมาแต่ก็มาครุกคลีมาหวงใยมาสินเหนหาอะไรก็ทำอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าต่อไปเนี่ยฉันจะออกไปหาอาหารเองพวกเธออยู่ในอาสมไม่ต้องไปไหน ความเป็นเพียนอยู่ในอาสมฉันไปหาอาหารมาใ ห, หา้แล้วก็เสร็จแล้วก็แจกจ่ายอาหารตั้งคนท่างรับประทานแล้วก็บอกเป็นเพียงกันเมื่อ mm. มีกิจจำเป็นมีทุกมีร้อนเจ็บไข้ไม่สบายข้อของใจสงสัยในปัญหาอะไรแต่ค่อยมาคุยกันคือทำมาอย่างนั้นจะไม่ไหวลแล้วในสุดก็น้องๆมันมก็บอกไม่ไดนะ้ให้อาจารย์ไปอย่างนั้นไม่ได้ก็ตกลงว่าเออ น้องชายคนที่สองนะ่ะคือว่าคนที่สองถึงคนที่คนที่หกนะคกับคนที่เป็นทาตคนที่เป็นทาสีนี่อ่าไม่ใช่คนที่เป็นทาตเนี่ยก็ไปหาอาหารก็ตกลงเขาไปหาอาหารเจ็ดคนนะฮนะก็อยู่ที่อาศมสามคือว่าทาสีนี่ก็อยู่แล้วก็น้องสาวเนี่ยก็อยู่แล้วก็พี่ชายคนโตก็อยู่ก็ทำมาอย่างเงี้ย เริ่มการปฏิบัติที่เป็นเรื่องเป็นราวได้เรื่องขึ้นนะครเพราะว่าการปฏิบัติบําเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยเราดูง่ายๆอย่างนี้ยนะมันเหมือนกับเมื่อ ก, ก็เรากวาดขยะเนี่ยถ้าฝุ่นตลกเข้ามาเนี่ยไม่มีทางกวาดได้นะไม่มีทางกวาดเสร็จปิดหน้าต่างนะอย่าให้ฝุ่นมันเข้ามาก่อนแล้วก็ถึงกวาด ทีนี้การการแยกตัวเองเขาโดดเดี่ยวอย่างเนี้ยแยกไปสงบอยู่นะฮะก็เพื่อจะปิดกั้นอารมณ์ใหม่ที่จะเพิ่มกิเลสเนี่ยไม่ให้เพิ่มขึ้นแล้วจะขัดเกลาไอสิ่งที่ไม่ดีซึ่งมีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่แล้วได้ให้ออกไปก ด, ดูยังไงก็ได้นะฮะดูยังไงก็ได้เราใกลๆก็เรากวาดขยะคนนึ่งทำขยะเราเราล้าง สิ่งสกปรกคนหนึ่งทําสปกปรกนี่กระทำยังไงมันมีทางมันจะต้องมีการป้องกันแล้วก็มีการบําบัดทั้งสองอย่างคือว่าความของสกปรกใหม่ต้องป้องกันได้ของสกปรกเก่าต้องไม่เข้ามาที่จริงกิเลสเนี่ยถ้าเราแปลให้ชัดแต่๋ยวแปลว่าสปกปรกแต่ว่าเขากลัวจะเป็นคําหยาบเลยแปลว่าสิ่งที่เศร้าหมองบางทีเลยฟังไม่เคยออกเหมือนกันเนี่ยนะ พรจ้จะงบประมาเหมือนโครนบ้างเหมือนชักศพ บ, บ้างเหมือนอะไรแต่อะไรบ้างเนให้ดูเนะี่ยที่จริงมันคือพอาจจะพูดไม่สะอาดก็ได้นะในที่สุดเนี่ยท่านท่านเหล่านี้ก็ได้ก็เรียกว่าอารมณ์เป็นที่สบายก็รมเป็นเพียนก็ได้รับผลในทางจิตะระดับปุจจานปุสสมาชิชนก็ได้ผลไป ในที่สุดถึงจุดหนึ่งมันก็บรุญฌานบรรุจฌานก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ฌานหาความสงบด้วยการเจริญฌานและเข้าฌานแล้วอยู่ด้วยฌานแต่ความสงบในแนวนี้เวลาเนี้ย ม, มันก็มันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งว่าคือบางทีเนี่ยเราเราลืมไปอย่างคนระดับญาติโยมหรือว่า คนแก่ที่มาฟังเทศฟังธรรมจำศีลแล้วนะฮะกลับไปบ้านแล้วไปหลบอยู่ในห้องไม่ยอมถุงศีลกับใครเลยนะฮะยอมพูดกับลูกกับหลานนี้มากไปหน่อยนะฮะคือมันต้องเผื่อแผ่เขาต้องเผื่อแผ่ต้องให้เหตุผลต้องชี้แจงแต่ไม่ใช่ปรทุ่มเทเวลาไปนั่งคุยอะไรนะฮะก็ต้องเป็นแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเปียนแปบ ก็เปลี่ยนแปลงในการพูดในการกระทําความเมตตาแววตาสีหน้าตาทางเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนแปลงกันนะให้ลูกให้หลานให้องศาคณะญาติเขาไม่ได้มาเห็นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาเข้าวัดตังตาจันศีลมันก็ดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนเคยดุเคยบนญมาหยุดปากอย่างนี้ก็หายไปด้วยอย่างน้อยลดลงไป ไอ้นี่มั น, ม, น, ม, นมันมันเป็นการสร้างสราทาประสาทให้เด็กก็เห็นว่าในศาสนานี้ยต้องมีดีธรรมะมีดีเพราว่าเราสร้างความเปลี่ยแปลงให้เกิดขึ้นแก่ญาติพี่น้องเราได้ก็เป็นช่วยเผยแผ่ธรรมะอีกแนวหนึ่งเผยแผ่ธรรมะไม่ไม่จําเป็นจะต้องเทศนะคือญาติโยมทุกคนใหเผยแผ่ได้โดยไม่จําเป็นจะต้องพูดธรรมะแต่ว่าสะท้อนธรรมด้วยด้วยการดาเนินชีวิตเนี่ยให้เขาเห็น การดนชีวิตว่าเออมันก็เปลี่ยนแปลงไปสงบเือกเย็นขึ้นนะฮะมีเพศตาสูงขึ้นมีความเอ้วเพืือมากยิ่งขึ้นวาเห็นแก่ตัวน้อยลงอะไรแต่ใดเนี่ยมันก็ต้องเห็นตรงนี้แต่ภาพเหล่านี้มันก็สร้างความอะไรละ่ะคือตื่นเต้นให้คนเพราะว่าคนไปเป็นบรรลุฌานทั้งสิบคนที่ไม่ใชธรรมดานะฮะไปอยู่ในที่เดียวกันมันเกิดเป็นพลังไงนะฮะมันเกิดเป็นพลัง ถ้าเราสังเกตวันในวัดที่มีพระมีศีลมีความสงบอยู่มากๆเนี่ยเข้าไปถึงมันเย็นนะนั่นคือพลังของธรรมะ ท, ที่มันแผ่เป็นลักษณะของธรรมารังสีหรือมันแผ่คล้ายกับธรรมชาตินะฮะสิ่งเย็นอยู่บริเวณนั้นมันก็จะเย็นนะฮะสิ่งร้อนอยู่บริเวณนั้นมันจะร้อนตอนพลังจิตคนมันก็มีลักษณะอย่างนั้นวัดใดที่มีหลวงพ่อมีจิตกล้าวแข็งมีเมตตามากมีความสงบมากวาดนั่นจะเย็นนะ เข้าไปถึงเราจะสัมผัสเย็นเพราะ้นคนมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเช่เราเข้าใกล้คนบางคนในร้อนนะไม่ต้องพูดเลยร้อนครับแสดงว่าภายในใจเนี่ยเขาไม่สงบคนบางคนในพอเข้าใกล้บางรู้สึกเย็น็โอปุ่นอ่ะแสดงว่าจิตเขานี่เย็นจิตข เ, จเขาก็มีธรรมะแล้วกส็สะท้อนนะฮะสะท้อนพลังพลังร้อนพลังเย็นออกมาได้เหมือนกัน ท้าสะกะเทวราชก็เห็นว่าท่านเหล่านี้บรรลุฌานเราต้องการจะทดสอบทดสอบดูว่าไอจิตใจของคนที่บรรลุฌานเนี่ยมันเป็นยังไงกจะทดสอบดูนะฮะจะมีความรู้สึกนึกคิดยังไงคืออาหารสร่วนใหญ่เนี่ยเป็นจะเป็นพวกผลไม้เป็นพวกงาบัวดอกบัวอะไรต่ไรเนี่ย ของป่าทางนั้นน่ะมาความมาเก็บมาจากป่าเมื่อเก็บมาถึงก็จะแบ่งแบ่งเป็นส่วนๆแล้วไปมอบให้ให้ใหที่กฤษีเขาก็เอาเอเอเอทาศากะก็มาแอบเอาของที่เขาแบ่งเล่นง่าบัวเนี่ยมาแบ่งที่เขาแบ่งให้อาจารย์เนี่ยเอาไปซ่อนเลยวันแรกเอาไปซ่อนฤาษีที่เป็นอาจารย์คือบูติศาสตร์ก็คิดว่า เขาคงลืมมะเขาไม่ไดเอามาให้ก็มีคนใดคนหนึ่งเขาคงลืมเอารู้งเชา้าเคลื่อนไปหาไปหาจริงๆมันหาวันละคนนะเขเปลี่ยนเวรกันได้ไมเพราะนันมันก็รู้ว่าวันนี้ใครหาใครหาของมาแจากวันนี้ใครหาของมาแจากวันนี้ใครหาของมาแจากวันแรกท่านคิดว่าคนนั้นลืมวันที่สอง เราคิดว่าเอเราคงมีความผิดอะไรมัง้งอ่าเขาจึงลงโทษถึงไม่ให้อาหารวันที่สามอีกทั้งก็คิดเนี่ยทงคิดว่าเอถ้าเราลงโทษเราผิดอะไรเนี่ยเราจะมองไมเ่เห็นความผิดก็ต้องสอบถามดูว่าเราผิดอะไรจะได้ขอเข้ามาโทษตรงนี้ประเด็นประเด็ น, ป ร, ดนประเด็นโทสะนะฮะคุณออลองลองสังเกตว่าที่ผ่านมาแล้วมันเป็นประเด็นกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะ แต่วท่านก็เอาชนะความรู้สึกตรง น, นั้นได้ทั้งสองกระแสในกรณีนี้ก็คือโทสะหรือว่าความโศกนะฮะแต่ส่วนมากมันก็โทสะคือเกิดความไม่พอใจที่ของมันหายไปแต่พระโพธ่สัตว์ทั้งสามอย่างเนี่ยไม่มีคําว่าไม่พอใจเห็นในวันแรกเนี่ยท่านก็คิดว่าเขาคงลืมก็ให้อภัยก็คนเรามาลืมกันได้นะให้อภัยกันได้เห็นว่าเรื่องเป็นที่ตั้งของความโกรธใจคิดแล้วไม่โกรธนะที่แท้ไม่โกรธ แล้วก็มองในแนของการให้อภัยพอมาวันวันที่สองเนี่ยแทนที่จะมองว่าเป็นความบกพร่องของคนโน้นนะฮะมันมองเอ้เราคงบกพร่องเราคงบกพร่องอะไรก็จึงไม่ให้มันก็มีการตรวจสอบตัวเองนะฮะตรวจสอบตัวเองก็ลักษณะอย่างเงี้ยคล้ายๆคนก็ด่าเราคนก็นินทาเราคนก็ตำหนิเราแล้วเราไปด่าเขาอะคือแสดงว่าเราต้องมีปัญหานะฮะ เขจึงได้ด่าจึงในตำหนิจึงได้ว่าแล้วเราเกิดไปด่าเขาแล้วเขามีความผิดอะไรคล้ายๆกับที่เคยเล่าอะนะที่เคยเล่าเรื่องพระโกณทานพระโกณทานที่วิบากกรรมท่านไปที่ไหนเนี่ยคนอื่นนะเห็นแต่ว่าท่านไม่เห็นนะ่ะคนอื่นจะเห็นผู้หญิงเนี่ยตามหลังท่านไปผู้หญิงสาวตามหลังในระยะห่างกี่เมตรตมันจะเห็นภาพอย่างนั้นแต่หมายความว่าถ้าใกล้มาก็ไม่เห็นถ้าไกลออกไปก็ไม่เห็น เป็นภาพที่เกิดจากวิบาครับชาวบ้านก็เห็นใครก็เห็นเวลาชาวบ้านก็ตักบาตรเนี่ยคือเขาก็สงสัยว่าผู้เจ้าไม่ได้รับสั่งอะไรเลยทำไมรพระไปไหนมาไหนกับผู้หญิงทำไมพระเจ้าไม่รับสั่งอะไรเวลาก็ตักบาตรเขาก็ตักให้สองทศปีนี่ถาวายท่านอันนี้ให้เพื่อนท่าน คือคือเขาไม่ถึงกับพูดด อ, อกเป็นฟงเป็นแฟนอะไรละเพราะว่ามันมันภาพที่เห็นเนี่ยจะอยู่ระดับนั้นไม่ใกล้ไม่ไก ล, ไ ก, ลกว่านั้นแล้วมันก็ต้องต้องอยู่ในในสภาพที่เห็นได้ต่อมาก็เพื่อนเห็นบ่อยเข้าบรรจารณคารนะฮะเลยก็ตือนเตือนแกโกรธฮะแกโกรธกันด่าแหละเพราะท่านน่ยไปไหนก็พาผู้หญิงไปด้วยแลท่านก็เหมือนกัน แล้วเสร็จแล้วก็ฟองพระพุทธเจ้าถามภิกษุที่ไปว่าพระโกนาทานเนี่ยทำไมเธอพูดอย่างนั้นภิกษุก็บอกท่านเห็นอย่างนั้นก็แสดงว่าพูดตามที่เห็นแล้วก็ถามพระโกนาทานเธอเห็นหรือเปล่าก็อบอกไม่เห็นแต่มึงกูมึงโกรธมาห า, หาเรื่องด่าเขาใช่ไหมเห็นนะว่าอันนี้คือความบกพร่องของท่า น, น จนในที่สุดพระเจ้าประเสริฐในโกศลมาตรวจสอบดูนะฮะมันตก็ไม่มีอ่ะแล้วพระเจ้าก็เล่าอันนี้มันเป็นวิบากกรรมพอท่านท่านต้องบําเพ็ญเพียรจนบรรลุมรรคผลเป็นพระหารไอ้ภาพนี้จึงหายไปได้แต่แม้มันไม่หายหรอกในสุดทั้งก็บรรลุมรรคผลเป็นพระหันเป็นระดับอริยสาวกนะฮะแต่เราจะเห็นว่าพระรูปหนึ่งนี้ด่าพระโกดมไม่ฉิดมันไม่ชะด่ามันมันมีลักษณะรายงาน เรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งนี่โกหจริงเพราะจริงๆท่านไม่เห็นเห็นเราก็กลายเป็นการเพิ่มบาปขึ้นโดยไม่ค่อนจําเป็นนั่นคือแนวมองของคนที่มีคุณธรรมนะเขาไม่ได้มองที่คนอื่นว่าทำไมจึงด่าเราเขามองว่าทําไมเราจรึงถูกดา่าทําไมเราจรึงถูกดา่าเรามีความบกพร่องอะไรเราก็ตรวจสอบเราก็แก้ไขในส่วนตัวเรานั่นคือโลกกระทั์เราจะเห็นว่าการมองโลกมองปัญห า, าต่างๆของบัณฑิตกับคนผ่านเนี่ยเหมือนกันนะครับ คนพานันจะพยายามหาโทษที่คนอื่นเรื่องอะไรเราอยู่เฉยๆมาด่าเราทำไมอา้าวอยู่เฉยๆก็ไม่ด่านะแต่อยู่เฉยๆไม่ทำงานทำการอาจจะถูกด่านะเจนเจนที่บ้านนอนเฉยๆนั่งเฉยๆก็ทำงานทำการกันแล้วก็เราก็ไม่ทำก็อาจจะถูกด่าได้แต่ว่าถ้าเราไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยไม่มีใครก็ดา่า เพราะนั้นเราถ้าตรวจสอบก็มีคาําด่าขึ้นเราก็ตรวจสอบที่ตัวเราถ้าเห็นเราก็แก้ไขถ้าไม่เห็นเราก็คิดว่าเขาค่าจะผิดนะก็เราก็ไม่ต้องค่าจะผิดตามเขาไปก็ปล่อยก็ไปโอกาสอะไรจะชีแช้แจงก็ชี้แจงก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงบางหลักเอาไว้ในพระบัญชาแ ล, ละสูตรนะฮะี่ที่เิดละกวางนานแล้วคือเวลาคนดา่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้คิดสองอย่างประหนึ่งนี่คือตั้งฐานนั้นเลยไม่โกรธ ที่อยา่าโกรธสองถ้าที่เขาพูดถูกต้องนะฮะก็นํามาแก้ไขประปรุถ้าผิดก็พยายามชี้แจงนะชี้แจงได้ก็ชี้แจงชี้แจงไม่ได้ก็แล้วไปก็ไม่ต้องชี้แจงนะแต่ว่าเราในต้องรักษาตัวเราไว้ให้ได้คือไม่โกรธเห็น ไ, ไหมฮะแนวบัณฑิตเหมือนกันหมดเลยตรงนี้วันที่สองนะวันแรกท่านเขามองว่าเขาลืด ก, ก็ก็ไม่หวาอะไร อัที่สองก็เออเราคงมีความผิดอะไรนะเพราะว่าคนคนที่หนึ่งลืมออาคนที่สองไม่ให้อีกแสดงว่าเราคงมีปัญหาแล้วพอมาถึงคนที่สามเรากอดเอาไม่ได้อีกต้องคิดว่าเออถ้าเราผิดเนี่ยเรลองถามดูสิผิดอะไรเราจะขอคำมาเขาในการที่ล่วงเกินเขาเพราะเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ในสุดตั้งกตีะระฆังไปจุกกันหมดก็พวก ฤสีทั้งหลายก็ถามว่าใครตีตะคานท่านบอกว่าท่านเองถามถึงเหตุผลก็เล่าให้ฟังวันเนี้ยท่านถามว่าเมื่อวานเนี่ยใครวันซื่อนเนี่ยใครไปหาอาหารเมื่อวานใครเมื่อวันนั้นใค ร, ใครตั้งรูปต่างก็บอกเออท่านบอกว่าเราไม่ได้รับอาหารทั้งสามวันคนนั้นก็ยืนยันนว่าเอามาวางไว้คนนั้นก็ยืนยันเอาม า, าคนนั้นก็ยืนยันเอามาวางไว้ที่วางไว้บัรหายไปไหน หายไปไหนก็ในในสุขก็ถามไปตามมาบอกไม่ได้หรอกคนคนเราเราระดับนี้พวกนี้จะดังเกียรบาปนะหมายความว่าที่จริงคนระดับชาญเนี่ยมันไม่โกหกแล้วอ่าเพราะว่าโกหกเดี๋ยมันจะโกหกด้วยโลภะโทสะโมหะทีนี้โลภะโทสะมันสงบมันก็โกหกไม่ได้คนระดับนี้มันไม่โกหกแล้วแต่ที่นี่ความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวางแต่มันไม่มีก็แสดงมันต้องมีปัญหา แล้วก็เพื่อจะพิสูจน์ว่าแต่ละคนนั้นไม่ได้ขโมยมันก็มีมีรุกขเทวดานะมีรุกรเทวดาตนหนึ่งก็ามามีช้างเชือกหนึ่งมีลิงเชือกหนึ่งตกลงว่าตรงนั้นมีสิบสามทีนี้มันเพิ่มขึ้นอีกสามก็กลายเป็นสิบสามเสร็จแล้วก็เริ่มสบดนะฮะบสบดสบดสาบานนะะลักษณะนะสบดสาบานแต่เป็นคำสาบานที่แปลกนะ เป็นคำสาบานที่แปลกคือถ้าเราเองในยุคนี้ก็คล้ายๆกับขอพอรนะฮะเพราะสิ่งที่อธิษฐานให้ตัวเองประสบเนี่ยมันเป็นเรื่องวัตถุกรรมนะนะว่าถ้าหากเช่นว่าสมมติว่าถ้าข้าพเจ้าไ อ, อ้ขโมยง้าบัวของท่านไปนะเกิดชาติหนึ่งพบใดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มั่งคั่งโดยทรัพย์สินเงินทองอนะาคาถาบริวารอะไรตเนี่ยนฮะ หมายความวั น, นั้นคือทุกเลยนะะคือท่านมองว่าเป็นการลงโทษเห็นไหมท่านมองว่าเป็นการลงโทษไอ้การมีอะไรบมากมายอย่างนี้คือการลงโทษเนี่ะบอกว่ามีเครื่องประดับเสื้อผ้าแพรพันมากมายมีพวกมาลัยมีคาถาดทอหม้อมีอมแก้ ว, แ, วแหวนเงินทองอะไรนาไรต่างๆมีอํานาจราชศัก์เป็นพระราชาเป็นเศรษฐีก็ว่ากันไปนเรื่อยๆแต่ละคนเนี่ยนะะแต่ละคนสรุปแล้วว่าจะเน้ยนย้ำไปถึงความเจริญรุ่งเรืองของ ลาบของยศของบริวาร น, นะฮะลาบยศบริวารเนี่ยจะจะเน้นแนวเนี้ยมากจนถึงการอธิษฐานว่าถ้าถ้ากับลักขโมยแล้วนี่เกิดท่านหนึ่งภพใดก็ให้เป็นประชาชนจะปกครองแว่นแคว้นเป็นจำนวนากเอาจนจนหมดมากมีราชภารกิจมากมีข้าทาบริวารมากมีทหารมา ก, มาามากความร้อน ม, มากอะไเนียเราดูแล้วน่าสนุกนะแต่หมายความว่าท่านไม่เอาตั้งนั้นนะนะท่านมองในเรื่องของความเป็นถูก ทำไมจะอธิษฐานอย่างนั้นเพราะแต่ละคนมีประสบการณ์ตรงคล้ายๆกับเรื่องมาเตมีนะฮะคล้ายๆกับเรื่องมาเตมีอะมาเตมีที่ท่านไม่ยอมพูดเพราะท่านกลัวจะเป็นประชาทํำไมกลัวเป็นประชากลัวราชพระที่มันยุ่งยากแล้วที่สําคัญอย่างิาง่งคือเพศได้ทำบาปเพราะท่านเคยเป็นประชาในเมืองนี้มาแล้วแล้วก็ตายถาที่วงโคตรไปแล้วก็ตกนรกหมกไหม้ อ, อยู่ น, น, นานโปล่ขึ้นมาระ ล, ลึกชาติได้เอามาเจออีกแล้ว เจอแล้วถ้าหมุนกรงล้อตรงนี้มันก็ท่านบุญลงนารกต่อนะฮะเพราะฉะั้นต้องหยุดตัวเองคือไม่พูดตามแต่คนปายแต่เพื่อจะหลีกหนีการเป็นพระราชาเห็นไหมตําแหน่งพระราชาเนี่ยไม่ไม่ต้องตําแหน่งพระราชานะฮะตำแหน่งประธานาธิบดีนายกอะไรแต่ อ, อะไรเนรัฐบาลไอ้รัฐมนตรีนีน่แย่งกันหุตลุดนะเจ้าโลกนี่แย่งกันหุตลุดเนี่ยใช้ทุกวิธีเลยแย่งกันแต่ปรากาคนระดับนี้ขยักขยั้งรังเกียจ นะขยะขยงงันเกียรตในฐานะตำแหน่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ระดับจิตนะหมายความว่าจิตท่านก็พัฒนาขึ้นไปจนไกลจะแล้วนะแ้วก็มองสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาน้องสาวนะฮะน้องสาวเนี่ ย, ส, ยสะบทว่าถ่าข้าพระเจ้าขโมยงาดอกปัวของของท่านไปเนี่ยเกิดท่าหนึ่งพบได้ก็ให้พระเจ้าเป็นหญิงที่สูงสักเป็นที่โปรดปรานของประราชาช เป็นปราชีนีมีฆาถาบริวารห้องล้อมอมาตราใมากๆเนี่ยคือว่าแต่ละท่านในระลึกชาติได้ดังนั้นไอ้สิ่งที่ท่านที่ท่านเอามาพูดแต่ละข้อเนี่ยนะฮะแต่ละข้อเนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องชาติก่อนๆของท่านท่านสมบูรณ์ในเรื่องเหล่านั้นแต่ละชาติแล้วท่านรังเกียจไอ้ตรงนั้นมากท่านต้องการจะหนีให้ถอยห่างเรืเหล่านั้นออกไปเพราะอะไรเพราะตลอดชีวิตที่ประสบความทุกข์ในเรื่องเหล่านี้ น, นะฮะ ที่ท like ่านบอกว่าเรามีทรัพก็ทุกข์เพราะทรัพย์มีเรือนก็ทุกข์เพราะเรือนมีสามีพัญยาก็ทุกข์เพราะสามีพัญญามีอะไรแต่ไรก็หวาไปเรื่อยมันทุกข์เพิ่มขึ้นนะฮะตามสัดส่วนที่เรามีนั้นอย่าลืมนะมองในระดับระดับนึงระดับเรียกว่าระดับไม่ถึงกับมรรคนิพพานนะฮะเป็นระดับสมาธิระดับฌานระดับสมาธิระดับฌานสิ่งเดียวกันแต่พื้นฐานจิตต่างกันว่าก็มองไม่เหมือนกัน แล้วก็คนที่คนหนึ่งนะฮะคนหนึ่งก็ในอดีตชาติเคยเป็นสมผานมาเคยเป็นเจ้าวาดก็อบอกว่าถ้าข้าพเจ้ารักเงาดอกบัวของนั้นไปอเกิดชาติหนึ่งพบได้ก็ให้ข้าพเจ้าเป็นนัก บ, บวดเป็นเจ้าอาวาดมีภารกิจการงานที่จะต้องดูแลจะต้องจัดจะต้องทําดูแลการก่อสร้างปกครองพระวิถีธรําเนีนมอะไรต่ก็ <c oughs> ดูแล้วนี่มันวุ่นวุ่นหนึ่ง น, น, นั้นน่ะ น, นะ แต่ว่าที่จริงคนก็ชอบกันสำหรับชาวโลกแล้วเนี่ยจะยื้อแย่งกันคือเราก็จะมองเห็นภาพตรงนีว่าระดับจิตตรงเนี้ถ้าเราเทียบศัพท์สัด ส, ส, ส่วนอื่นนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่สัดส่วนนี้ตอนนองคล้ายๆกับเรามองลูกหลานที่เธอเล่นตุ๊ ก, กตาแล้วก็ร้องให้แก็ตุ๊ ก, กตาแล้วก็กอดตุกกต๊กตาเอากอดตุ๊ ก, กตาให้ตุ๊ ก, กตาอาบน้ำบ่มผ้าอะไรอะไรแล้วก็บางทีก็ทะเลาะ ก, กันเพระตุ๊ ก, กตาเนี่ย เราก็เห็นวาเนี้ในความรู้สึกของเด็กเนี่ยสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ที่เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเหมือนเหมือนทรัพย์สมบัติที่จะต้องผูกพันเดี่ยวๆนะฮะในความรู้สึกของเธอซึ่งบางคนก็ติดมาจนอายุยี่สิบกว่ายังติดอยู่เนี่ยตุ๊กตายันเต็มห้องอยู่เลยนะฮะนี่ก็ก็แสดงว่าเป็นเป็นเรื่องของอุปท า, านตนหาอุปท า, านที่มันสะสมอยู่ภายในจิตของเธอแต่เรามองเธอก็ด้วยความน่าเอ็นดูนะฮะน่าสงสาร ก็ยิ้มยิ้ไปอย่างนั้นเองแต่เราก็ไม่อยากจะไปแย่งอะไรก็เถอะเห็นไฮะจิตมันต่างกันบุญภาพจิตมันต่างกันเราปัญญาเราเพิ่มขึ้นเราแยกได้นะว่านะั้นก็ตุ๊กตาไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องอะไรนะแต่เวลาพูด ก, กับเด็กเราก็ต้องยอมเขาอะนะยอมเขาจะให้นอนจะให้ น, อน้องนอนจะให้ น, อน้องมีผ้าคลุมอะไรแต่เรากวากันไปว่ากันไ ป, นไปแต่เราพูด ก, กับเด็กเราไม่ได้เป็นอย่างที่เด็กเขาคิด แต่เพื่อจะติดต่อกับเด็กให้เกิดความเข้าใจก็ทํานองที่พระพุทธเจ้าพูดกับภาษาวกนะฮะเราจะเห็นว่าจริงๆพระไตรปิเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อพูดกับภาษา voke พูดภาษาอย่างเงี้ยจริงจะพูดกับรู้เรื่องถ้าพูดอย่างอื่นมันก็พูดกับไม่รู้เรื่องก็เหมือนกับเราพูดกับเด็กเล็กๆนะฮะว่าไปว่าไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือคื อ, ค, อคือมุมที่มองนะแล้วก็คนบางคน อ, อ, อย่างอย่างอะไรล่ะ พวกลิงพวกลิงเนี่ยมันกระลึกชาติทางกันออกมาเป็นลิงเนี่ยแต่ว่าในชาติบางก่อนเนี่ยเป็นลิงที่มีการแสดงในเครื่องประดับประดาลิงเล่นละครเน่ยนะฮะิงเล่นละครเน่ยแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าตัวเองเขาโมยเนี่ย เ, เกิดชาติหลวงพระปารก็ให้เป็นเป็นลิงที่มีประดับมีตุ้มภูมีเสื้อผ้าใสาแล้วก็มีคนจูงไปแล้วก็ในที่ต่างๆมีการแสดงละครไอ้คนที่เป็นช้างเองกระลึกชาติได้ ขออธิษฐานว่าถ้ารักขโมยถ้าพระเจ้ารักขโมยก็ขอให้พระเจ้าเกิดเป็นช้างราชพานะที่มีเครื่องปรับยนะิ่งใหญ่มีความช้างมีอะไรอะไรนะอยู่ในโรงช้างนะมีคนดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาแต่ว่า น, นั่นคือมองในแง่ของเป็นทุกเป็นทุกทั้งนั้นนะฮะเป็นทุกทั้งนั้นจนถึงก็เทวดาเทวดาเองที่มาเนี่ยก็อธิษฐานในแนวนั้น อธิษฐานในแนที่เห็นว่าถ้าท่านถ้าท่านรักขโมยง้าบัวก็ขอให้บังเกิดเป็นรุกขเทวดาต้องคอยดูแลสัตวทุกสุขดิบของประชาชนประสบปัญหาอะไรต่างๆก็ว่าไปทีนี้บางมันก็อธิษฐานกันหมดอลยนะพระบพธิศัตเองก็ต้องอธิษฐานพระบพธิสัตวเองระลึกใต้ระลึกชาติได้ชาก่อนก็เป็นพระราชา มันก็ที่ฐานในแนวที่เป็นพระราชาซึ่งถือว่าเป็นภาระที่ตัวเองรังเกียจขยะแขยงมากไม่ต้องการที่จะเป็นตัวโลกทั้งหมดเนี่ยมันแสดงถึงจิตใจที่หน่ายจากกรรมคุณนะฮะหมดทั้งสิบท่านนะหมดทจนสิบท่านทีนี้พอโ พ, อพอสบดอย่างนั้นวาสาบานอย่างนั้นทุกคนก็เชื่อเพราะแต่ละคนมันก็เลือกแากันได้นะฮะลืกแากันได้ คือคือพวกชาเนี่ยมันมีอภิญญาชานบางคนที่เขาขึ้นถึงนี่เขามีอภิญญาแต่อภิญญานี้ไม่ไม่ใช่สมบูรณ์นะฮะ ม, มันมันมีโอกาสผิดได้เอคล้ายๆกับไฟที่เราส่องไปถึงที่ใดที่หนึ่งอถึงตรงใดตรงหนึ่งแต่มันไม่เดินทะ ล, ลุไปไกลตรงนั้นเราก็เห็นแต่ว่าหลังจากนั้นเราไม่เห็นเพราะไฟมันมันแสงสว่างมันไปไปไม่ถึง ท่านพูดตรงนี้พูดถูกนะฮะตรงที่แสงสว่างไปเองเนี่ยแต่ว่าตรงน้นอย่าไปพูดข่าวนะพูดข่าวมันก็โอกาสจะผิดแต่ว่าท่านไม่พูดนะฮะใจใจท่านสูงนะเ อ, อต่อตัวลงมาทุกคนก็เชื่อตาสะกะเทวราชเองก็เห็นว่ามันท่านท่านชักจะมีปัญหาแล้วนะฮะมันล้อเล่นนอกเรื่องไปแล้วก็เลยก็ไปเอาง่ามบัวเนี่ยมา แล้วก็กล่าวสอบถามก็เล่าให้ฟังนะฮะเล่าก่างว่าเออที่จริงง้าบนี้ไม่ได้มีใครขมโมยหรอกเพียงแต่ว่าพระเจ้าต้องการจะทดลองท่านทั้งสิบนี่ดูทานตั้งท่านตั้ ง, งเจ็ดเดานะฮะว่าดีก็ตั้งเจ็ดเ อ, อ่อพวนพวนปลือกลิงลูกเทวดาช้างนะมาที่หลังต้องการจะทดตรวจสอบดูท่านั้นเอ่อท่านพระพธทธศาสน์ก็กล่าวว่า ทศ ก, กัคือมห า, าพิท่านเรียกว่าภนะูตนะแบดบีนะไอภูตบดีเนี่ยก็แปลกกัใแบบกล้เจ้าภูตตะตรงนี้มันมั น, ม, นมันแปลได้เยอะอ่อาจจะหมายถึงเทพอาจจะหมายถึงผีอาจจะหมายถึงพระหันนะเนดี๋ยวภูตบดีเกลกจอมเทพนะะคงจะแปลว่าจอมเทพว่าพวกดาวบทเหล่านี้ไม่ใช่พนักงานของท่านไม่ใช่นักพรตเอง นะไม่ใช่เพื่อเล่นของท่านทำไมจึงมีการล้อเล่นกันในลักษณะนี้นตาตกะท่้นก็สมนึกผิดนะต่านก็ขอเข้ามาโทษที่ดวงเกิดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งคือได้มีการตรวจสอบการตรวจสอบเนี่เป็ น, เ ป, นเป็นความจําเป็นตามปกติแล้วเนี่ยเราคนเราสามัญชนเนี่ยตรวจสอบตัวเองไม่เคยออกคือมองตัวเองไม่เคยออกก็เพราะเข้าข้างตัวเอง มันจะต้องมีการตรวจสอบจากคนอืน่นทีนก็สร้างอารมณ์กระแทกกระทันขึ้นมาเพื่อตรวจสอบดูจิตมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะจิตเป็นอย่างนั้นจริงห ร, รบบือเปล่าแค่พะระเจ้าเราจัสรุแล้วมันก็มีนางตนาราคาตรีมาตรวจสอบดูจริงหรือเปล่านะที่เราพูดเป็นฟางสะดุ้งมานมันเกิดไหมนะมันจะดุ้งม้านั่นนะเห็นมาราวิจัยเวิจนะมานแต่ว่านั้นก็คือการตรวจสอบแล้วไอ้โครงสร้างเหล่านี้มันก็มีอยู่เรื่อยเราจะเห็นว่าเรียนหนังสือเรียนต่อไปแล้ว ก็มีครูตรวจสอบนะถูกหรือไม่ถูกจนถึงกรัรัฐบาลก็มีขวายค้านมาตรวจสอบเร น, นี่เราเร า, เราก็สับสนนะครแก้แค้นอะไรมันแก้แค้นแล้วก็ทากาํางานกันทํางานกันแล้ก็หน้าที่ของเขามีการตรวจสอบนะบอกบอกเขาไว้ในเมื่อแปเดือนที่แล้วว่าจะทํางานอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เขาเห็นไม่เห็ น, นมีอะไรก็ตรวจสอบรองอธิบายมาดูที่ที่ว่าไว้ที่แถลงไว้เนี่ยทำจริงหรือเปล่า อันนี้ก็คือก็คือกฎเกณฑ์ทั้งหลายในสังคมที่ต้องมีการตรวจสอบแล้วทักกทั้งก็ต้องการจะตรวจสอบดูนะฮะตรวจสอบดูว่าเวลาประสบอารมณ์คืออารมณ์ประเภทโลภาราคะนั้นแน่นอนก็เห็นแล้วนะแต่ว่าประเภทโทสะนี่มีหรือเปล่าพเพื่อโทสะว่าของมันหายแล้วเกิดยั่วขึ้นมาหรือเปล่าอ่าขันติเป็นขันแตกหรือเปล่าก็มาตรวจสอบดูแต่นั้นทีนี้ประเด็นที่ ท่านต้องการอยากรู้ท่านพึ่งนะฮะว่าทุกคนเนี่ยมีความเห็นร่วมกันคือปฏิเสธวัตถุกรรมได้แก่ปฏิเสธวัตถุกรรมได้กั น, น, ะะ ว, กกนว่าท่านมีเหตุผลยังไงนะท่านมีเหตุผลยังไงพระอุษสัตเป็นคนอธิบายนะฮะใจความโดยสรุปก็คือวัตถุการมเนี่ยมันะะคำว่าวัตถุการมก่อนวัตถุการมมันคือสิ่งที่เนี่ยโลกวัตถุทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะอะไรก็ได้ เรีวัตถุกรมคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ ย, ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกริมด้วยลนส์ถูกต้องแต่กายทั้งหมดเนี่ยมั น, นวัตถุกรมเท่านั้นแล้วเราก็เป็นการมมาพบนะฮะจิตใจของคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในระบบกามมาภูมภิแต่ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าความอยากบางชีเนี่ยนะมันก็อยากได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยากได้เพื่อตัวเอง เช่นะนเรามีกิจกรรมที่เป็นกุศลเราก็อยากได้เงินมากๆนะเพื่อทํางานที่เป็นกุศลก็หมายความว่าชวนคนมาทํางานด้วยกันชวนคนมาทำำําบำเพ็ญบุญกุศลด้วยกันเช่นว่ามูลนิธิ ม, มีมีอะไรก็มีการบอกบุญชิญ ช, ชวนชักชวนทำเราอยากได้ไหมเราอยากอยากได้แต่ว่าการอยากนั้นเป็นการเขาเรียกว่าฉันทะเกี่ยวความพอใจว่าถ้าได้เชิญชวนจักชวนคนอื่นด้วยนะแล้วมาช่วยกันทํา หลายคนท่านเหล่านั้นก็ได้ทําบุญก็ไอ้เงินที่จะได้บางอย่างเพิ่มขึ้นไอ้ปริมาณงานที่จะช่วยเหลือเกี่ยวกัเงินสังคมมันก็เพิ่มขึ้นนะก็อยากนะที่จริงก็อยากเรียบร้อย เ, อเรียบร้อยมือนกันแต่มันมีความประณีตในความอยากเในจุดนี้มันก็เลยไปแล้วนะครก็เลยเลยระดับนั้นไปแล้วคือระดับฤๅษีระดับผู้สมาธิในอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะว่า ฮินดูกับพุทธี่จุดต่างมันก็คือเราเดินทางมานี่ถึงจุดหนึ่งนี่จริงเหมือนกันเดินมาจากศีลสมาธินะฮะฤาษีพวกนี้มจะติดอยู่ที่ชานเห็นไหมอาจารย์พระพุทธเจ้าอาราดาโพธตกัณฑาโพธิก็ติดอยู่ตรงเนี้ยติดอยู่ในป่านั่งสมาธิเจริญฌานใจไม่สงบก็นั่งสมาธิอะไรก็เข้าสมาธิอะไรก็เข้าสมาธิต้องการรู้อะไรก็เข้าสมาธิตั้งก็นั่งสมาธิอย่างงั้นแหละอดคราก็ไม่ได้โกนนะรุงรังครับ แต่ว่าสังคมเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรจากท่านเพราะท่านปลีกตัวเองมาอยู่ในป่าแต่สังคมเนี่ยมันอยู่ข้างนอกของพระพุทธเจ้าท่านเ น, นี่ยนะท่านออกมาตรงนี้เหมือนกันทํ า, นาอยู่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วท่านเลี้ยวกลับเข้าไปคุกคีอยู่กับราษฎรตลอดระยะเวลา45ปีเพราะอยู่ป่าจริงๆเนี่ยฮะอยู่ป่าโดดเดีย่ยวจริงๆก็เพียง6ปีที่โดดเดี่ยวจริงๆก็อาจจะไม่ถึงนะฮะเพราะความบบบเป็นทุกรกียาที่จริงก็อยู่ตรงไหนก็ได้ ตอนเรเรียนเพีย น, ยนทางจิตตอนนั้นเด็กลิกเล่นอยู่ในป่าแนวของอุฒสาสต์หนาจึงเป็นแนวแคล้ายๆกับพระราชกุมารลาพระราชบิดาไปศึกษาศิละปะวิชากัรหรือสีในป่านะในแ น, แนวจากจักรวงนะพอจบการศึกษาแล้วเข้ามาครองเมืองทุ่มเทเวลาชีวิตไปเพื่ออนาวัตาราชสดอเพราันเข้าไปมันก็เข้าไปเสริมสร้าง ควมรู้ความสามารถประสบการณ์นะฮะพัฒนาในด้าน จ, จิตใจแต่นั่นเองนั่นก็คือแนวพุทาสนามันก็กลับมาอีกเที่ยวหนะึ่งเกี่ยวกับโยกับสังคมเพราะแนวของพระโพธิสัตวในจุดนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือแนวฤษีนะฮะไม่ใช่แนวพุทธแต่ยังอย่างที่บอกแล้วว่าตรงนี้ที่จริงเราก็เหมือนกันนะนะก็ปฏิบัติมาปุ่งมาเหมือนกันคือท่านบอกว่าพวกวัตถุการมทั้งหลายเนี่ยมันมีปัญหาตลอด มีปัญหาในชั้นของการสแสวงหาแม้แต่คิดถึงก็ร้อนแล้วนะฮะแม้แต่คิดถึงก็ร้อนแล้วแล้วพอสแสวงหามันก็มีการต่อสู้มีการต่อสู้มีการยื่นแจ้งมีการเบียดเบียนอย่างในปัจจุบันเราจะเห็นว่าในวงการธุรกิจนี่เล่นแรงไะ น, นะฮะเล่นแรงมากบางทีก็ปลอมแปลงเอกสารบางทีก็สวมรอยอนะ เอาทรัพย์สินเงินทองก็ไปเยอะแยะไปหมดเลยบางทีเป็นผู้จัดการทรับย์บมรดกออกมาก็เจอคนเยอะนะฮะเจอคนที่เขามาลาออ่าขวางโปกลุก่มสิทธ์บ้างคนคุค้นกันบ้างมาลาออ่าความนี่โดนโดยอะเลยผู้จัดการงเงินเท่านั้นเท่า น, นี้เท่านอนเสร็จแล้วหายจ่อยไปไหนแล้วเงินก็หายคนก็หายนะฮะอันนี้ก็คือก็คือเราจะเห็นว่าในการแสวงหาเองเนี่ยมันก็มีภัยอันตรายรอบด้านต้องต่อสู้ มีคนขัดขวางมีคนยื่ยแจ้งนะถือของจะจุดหนึ่งไปได้ไปถึงจุดดึงหก็เสี่ยงจังเลยนะเอาไปไหวไหมนะใบ ไ, ไมบางทีก็ของนั้นมันก็ดึงเอาไปอันตรายมาสู่ชีวิตนะเอาพวกเงินไปบางทีก็เงินนั่นแหละก็ดึงความตายมาหาเราอีกเชีววยวนึ่งเพราะไอ้ภาพแนี้มันมั น, ม, นมันก็เป็นมุมมองที่เราเห็นแต่ว่าคือความคล่องความติดมันมากกว่า ใจมันก็สละระหว่างเรื่องเหล่นั้นไม่ได้ทั้งที่ก็เห็นกันอยู่นะข่าวคราวเหล่านั้นก็เห็นกันอยู่ว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงได้มีสิ่งนี้เห็นนะฮะมันก็เห็นกันทัดเลยทุกเรื่องเนี่ยนะทุกเรื่องเนี่ยอธิบายได้และเห็นได้ชัดว่าตัวนี้มันกระตุ้นให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีตัวนี้กระตุ้นไอ้สิ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะสมมุติเราไปเพื่อผ้ากระรุงกระลิงเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครนั้นนะมี รับรองฮะเดินสบายนอกจากเ้าไล่แล้วก็เห็นอะไไม่มีใครวิ่งตามนะะแต่ว่าเราเป็นเป็นตัวกระตุน้นเราสวมส้อยเสย้นใหญ่ๆมีกระเป๋าเงินบางทีก็รู้ข่าวด้วยนะว่าในกระเป๋ามีเงินกี่ล้านกี่ล้านเห็นไหมตัวนี้มันก็ต้นข่าวเฉยๆตันี้เฉถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงได้มีสิ่งนี้ระ้ววันอื่นที่เราเดินไม่มีพกเงินปกทองพกส้อยต่างๆไมคนก็ไม่พก้นอะไรเพราะไม่มีอะไรให้ปล้น มันก็เห็นกันอยู่เนี่ยภาคข่าวเนี่ยต้องเห็นกันด้วยโอเคโรอินฟินคนก็จับก็ทำไมวันอื่นไม่จับมันไม่มีอะไรให้จับอ่ะเหมือนไม่มีการกระทําผิดให้จับเขาก็ไม่จับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาคิดได้เพียงแต่ว่าเร า, เาคนทั่วไปเขไม่คิดแต่นั้นเองไงนะพระพุทิศาสนาทั้งไม่ได้คิดเอาจากนอกโลกข้อมูลหรอกนะไม่ใช่เอาจากนอกหรือบางข้อมูลธรรมดาก็คือเนี่ยในการแสวงหามก็มีปัญหาแยะนะในการถือครองในการครอบ ก็ต้องต่อสู้ต้องเสี่ยงภัยอันตรายต้องเสียเงินเสียทองต้องจ้างคนมาดูแลรักษาแล้วอาจจะดึงเอาอันตรายถึงแก่ชีวิตมาให้เราก็พบภาพการปล้นปล้นและฆ่าจะทรา์อันนี้ก็ภาพตรงนี้มันก็มันก็คือกันคือการที่พระโพธิสัตว์ท่านเคยคิดตั้งแต่สมัยโน้นนะฮะมันก็คือการหมายความว่าถ้าไม่มีเงินให้ปล้นมันก็ไม่ปล้นเมื่อไม่ปล้นมันก็ไม่มีการฆ่าแตไม่มีการฆ่าก็ไม่มีการตาย ก็ไ้ตังนี้มันก็ดึงขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่เรามีเงินนะมีเงินมากๆแล้วก็ไปยัย่วกกตายั่ใจพวกโจรพวกขโมยอ่ะกระบวนการเหล่านี้มันก็แนวเดิดมฮะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีมันก็มีทยอยกันไปลูกขึ้นทั้งหมดเด็กมันมันมันมันจะเป็นอย่า ง, ง, น, างนั้นเท่านั้นเอ่อทีนี้พอสิ่งเหล่านั้นหายไปก็เศร้าสุขก็เสียดายก็คือทุกนะเกิดความสูญเสีย แล้วที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันบนเส้นทางของการาคลองเรือนเนี่ยนะครคลองเรือนให้บริสุทธิ์ยากให้ครองให้บริสุทธิ์นี่ได้ยากมากมันจะมีอะไรนิดๆแต่น่อยอยู่เรื่อยนะฮะมันจะมีปัญหาอยู่เรื่อยที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันจะนวงนิวคนไปตกอบายตกนรกจนถึงก็ตายไปตกนรกท่านเหล่านี้ท่านรู้ทั้งนั้นนะฮะท่านรู้ทั้งนั้นเพราะงั้น คำอธิฐานขําท่านเนี่ยคำอธิษฐานของท่านมันเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับความสมบูรณ์พูนสุขต่างๆที่ท่านเคยพบในชาตินั้นๆบางครั้งนะจับจินตเงินทองเป็นปราชาเป็นปราชินีเป็นมหมาเป็นอะไรเนี่ยฮะทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเหตุหนึ่งหนึ่งให้ท่านทํำมาแล้วทีนี้เมื่อท่านอาึกชาติได้ท่านก็ย้อนไปย้อนไปก็เจอว่าไอ้สืบเนื่องมาจากตรงนี้เองก็ทําให้มีการกระทําอย่างนี้เพราะการกระทําอย่างนี้จึงไปประสบความทุกข์อย่างนี้เมื่อเมื่อประสบความทุกข์ อย่างนี้ในปัจจุบันแ ล, ล้วไอ้บาปนั้นเมื่อก็ตกนรกตกนรกมันก็หมุนกลับมามันก็เนิกได้นะฮะมันนิบได้อันนี้เห็นไหมท่านมองว่าเป็นระบบท่านมองเป็นระบบคือไม่ได้เชื่อมไม่ได้เชื่อมไม่ได้เชื่อมเฉพาะช่วงสั้นๆแต่เห็นในระยะยาวเห็นเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องกันถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีถึงนี้ไม่มีถึงนี้ก็ไม่มี ส, งมมสิงนี้มันก็ไม่มีไปเรื่อยๆคล้ายๆก็มองรถไฟทั้งกระบวนเนี่ยนะฮะมีรถตัก อ้าไม่มีรถดักมันก็ไม่มีรถดักไม่มีคนขับอเบูกี้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็แล้วแต่จะนับอะกี่บูกี้ก็นไปรึมันก็เคยื่นไม่ได้นะแต่ทีนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อหัวรถจักรมันขยื่นทํำให้บูกี้หนึ่งขยื่นบกี้หนึ่งขยืน่นบูกี้สองขยื่อนก็ขยืนขยนขย่นไปเรื่อยๆนะแล้วเกิอดอุบัติเหตุมันก็ปีกอีกระบบหนึ่งฮะนั่นก็คือกระบวนการก็ ค, คิดแบบกระบวนการ ก็ท่านเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดในโลกนี้สืบเนื่องมาจากการมเป็นเหตุกรมเป็นข้าวมูลกรมเป็นตัวก่อตั้งให้เกิดขึ้นแต่ว่าการมจริงๆน่ตัวกิเลสนะฮะตัวกิเลสไม่ใช่ตัววัตถุเหล่านั้นตัววัตถุเหล่านั้นสมมติว่ามันมีวัตถุนะเอาสมมติว่ามีวัตถุมีเราเดินไปด้วยกันเนี่ยนะฮะเรก็ไปเจอสายสร้อยลนอยู่สักสีหาบาทน เรามีเราไม่มีกิเลสแรงขนาดจะไปจะไปหยิบสร้อยแล้วเอายักยออไปของตัวเองนะทีนี้มันมันคนที่เดินข้างหน้าเนี่ยเขาเห็นแนละ้วเขาแย่งกันนะเขาแย่งกันก็เราก็พอดีเห็นพร้อมกันเห็นพร้อมกันเนี่ยฮน ะ, ะคนสองคนหทุกข์ความโลภเกระดับเดียวกันก็แย่งกันทีนี้ถ้าระดับที่มันลดลงมามีเหตุมีผลมากกว่านั้นก็อาจจะแบ่งกันคนละครึ่ง ทีนี้ถ้าลดยิ่งกว่านั้นเนี่ยแต่ละคนต่างก็ไปดีปรปนองกันว่าเอาไปให้เขาเถอะเอาไปหาเจ้าของดีกว่านะเขาคงเดือดร้อนน้อส้อยก็หายขนาดเนี้เห็นไหมว่าก็อยู่ที่จิตไอ้ส้อยมันก็เท่านั้นเนี่ยส้อยเส้นเดียวกันแต่พื้นจิตของคนเนี่ยมันมั น, มนต่างกันก็มีความรู้สึกทีนี้สมมุติว่าเราที่เข้าไปเนยเราเรามีกิเลสมาก เรามีกิเลสมาพวกนั้นวางแผนจะไปคืนแล้วเราก็อยากได้อยากจะมีส่วนแบ่งก็เห็นด้วยเราก็พยายามโน้มน้าวจิตใจมันก็ปลุกกิเลสเพิ่มขึ้นมาอีกนะเอาหนะ้าเอหน้าน้าอย่าไปเอาเลยก็ไม่มีใครเห็นเขามีเรสาสมคนเราแ บ, บ่งกันสามส่วนก็แล้วก็แล้วแกนเยินเะนี่ยนะถ้าพวกนั้นกิเลสมันฟูขึ้นระดับเดิมนะฮะระดับที่มันคิดจะแบ่งนะฮะมันก็แบ่งแต่ทีนี้ถ้าเขาสองคนกิเลสเขาลดเขาก็ต่อสู้ก็ที่แจงอธิบายเราได้ แล้วเราก็ยอมหรือถ้าเราไม่ยอมนะถ้าเราไม่ยอมเราจะแย่งนะเราและทีนี้จะมีปัญหาและเราจะเห็นว่าปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นจากว่ากิเลสเราไม่ยอมอยู่ในระดับระดับที่เราคุมได้มันเกิดกิเลสมันคุมเราปัญหามันจึงอยู่ที่ตัวจัตวจิตนะฮะปัญหาตรงตรงน้นมีก็เพราะจิตเรามีมีกิเลสถ้าเราไม่มีกิเลสส้อยมันก็สักไปว่าส้อย ได้ก็จะสั่งตัว้อยเห็นของก็ตกก็เกิดสงสารเจ้าของนะฮะเกิดสงสารเจ้าของแทนที่จะอยากได้ของเห็นฮะเกิดสงสารเจ้าของสร้อยว่าคงจะเดือดร้อนเราไม่ได้อยากได้ในตัวสร้อยเพราะเราสู้สร้อยมันมีเจ้าของก็เกิดสงสารในตัวเจ้าของเห็นไหมฮเห็นป in ั to to like. ๊บแทนที่จะเกิดโลภมันเกิดเมตตาไม่ใช่เมตตาสร้อยนะเมตตาคนแทนที่จะอยากได้สร้อยมันก็เกิดเมตตาต่อคนทีนี้พอเมตตาเนี่ยนะ เราเมตตาแล้วเนี่ยทั้งคนทั้งของเนี่ยเราไม่ไปร่วมเกิดเห็นไหมสมมติเราเมตตาคนนี้เราก็ไม่ขโมยทรัพย์สมบัติของคนนี้เราไม่ร่วงเกินคู่ครองคนนี้ที่จริงเราเมตตาที่คนดังนั้ น, นแต่มางทีจะเชื่อมโยงกันเพราะการการมองสิ่งทั้งหลายซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมันเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันเนี่ยแล้วก็มองเห็นโทษขามานเห็นคุณก็มาเราก็จะพยายามตัดกระแสที่มันเกิดโทษ ใช่ไหมท่านเหล่านี้มองเห็นเป็นทั้งระบบเลยหมายความว่าความร่ํารวยมัางคั่งจนเป็นประชาชนเป็นเศรษฐีเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่พวกนี้มันเชื่อมโยงไปสู่ในการแสวงหาในการคุ้มครองรักษานะในการพระธาตุศูญเสียมันให้ความทุกมันสร้างเพลนสร้างไวสร้างสร้างเวรทร้างภายัยแล้วก็ เป็นเหตุปัจจัยบางอย่างในการแสวงหาในการคุ้มครองก็ทําให้ตัวเองเปสูตนรกก็เชื่อ ม, แบบ เ, มเชื่อมโยงแบบพระเตมีทัานเชื่อมโยงเนี่ยนฮะอันท่านท่านก็เห็นโทษทั้งระบบได้เห็นโทษทั้งระบบได้จริงๆเรื่องเหล่านี้บางก็มันก็ไม่มีอะไรลึกซึ้งนะแต่แต่เราเจาะไม่ถึงนั่นเองคือก็เจาะถึงฮะแต่ใจมันไม่ถึงหมายความว่าอาจจะอธิบายได้ยิ่แจงได้แต่กิเลสเราไม่ยอมลดอนะ่ะมันก็ต้องต้องฝึกคิดบ่อยๆก็ถูก ฝึกมองไปๆในที่สุดท้าสกะก็แสดงความชื่นชมแล้วขอเขมาโทษแล้วก็ปรานนาว่าสีเหล่านั้นต้องการอะไรก็ให้บอกนะเขาก็จะให้ความอุปถัมภ์ใกลๆก็ปรนนาวาตัวเป็นโยมป่ากันนะแต่ก็เมื่อท้าสกะจากไปแล้วท่านเหล่านี้ก็หนักแน่นมากยิ่งขึ้นบาเป็นเพียรในที่สุดก็บรรลุฌานกันเรียบร้อยหมดบังเกิดในพรูมโลกนะครับ พระพุทเจ้าก็สรงสรุปคือนับพันเหล่านั้นที่จริงมันมีชื่ออยู่2องสาชื่อนะฮะคือสรุปว่าเป็นอนดีตประวัติคื อ, อ, อพระโพธิสัตว์อาจารย์เนี่ยคือพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระปุณณนะพระอานนท์พระ อ, อ, อุทาจีพระอนุรุตอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวน้องสาวเนี่ยคือมาเป็นนางอุบุณวนาตัวน้องสาวเนี่ยตัวทาสีก็มาเป็นนางขุดชุตรา จึงงจึงเป็นหญิงของ้อมได้ถูกไฟไหม้อะนะแล้วก็ตัวธาตุเนี่ยมาเป็นจิตะจตะเครือบดีจิตตะเครือบดีเป็นอุบาสกอนาคามีนะระดับอิตตะกะแล้วก็ทศกะเทวราชในครั้งนั้นมาเป็นพระกาลุตายีนะมาเป็นพระกาลุตายีซึ่งเป็นเชิญพระพุทธเจ้าวัที่กรุงกบินภัทอ่ะแล้วก็ลิงไอ้ลิงนี่แปลก มาเกิดเป็นลิงที่ถวายรวมพึ่งแก่พระพุทธเจ้าที่ป่าป่าปาเลายกะช้างก็มาเกิดเป็นช้างอีกพัฒนายากจังเลยเทวดามาเกิดเป็นสาตากิริรยักษ์นะฮะที่พบพระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้าไปธรมาลาเราก็ยา ก, ก น, นะและคนเหล่านี้ก็ก็ก็มาเกิดร่วมกันหมดในในครบชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนรุ่นที่บวชนะฮะรุ่นที่บวชเราจะเห็นว่ารุ่นที่ได้ฌานเนี่ยเป็นพระยาบุคคลหมด พระษาติเนี่ยมาเป็นพระยาบุคลหมดไม่ว่าธาตุธาสีนะธาตุก็เป็นพระนาคามีธาสีก็เป็นพระโสดาบันนอกจากนั้นบรรลุมรรคผลเป็นพระรหัสหมดทั้งเจดคนพี่น้องไงนะฮะเจ็คนพี่น้องเนี่ยเป็นบรรลุอรหันต์เป็นพระหัสทั้งหมดนี่ก็คือเห็นไหมบารมีที่มันต่างกันช้างกลับมาเป็นช้างลิงกลับมาเป็นลิงลูกเทวดามาเป็นยักษ์เท้าสกะมาเป็นพระอรหันต์มาเป็นพระรหัสได้นั่นก็คือเรื่อง การามุนเบียรในทางสารวัตรโดยพื้นฐานของกิเลส ท, ที่แตกต่างกันก็นยิ่งย่อนกันก็แสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นความแตกต่างในพื้นจิตเหล่านี้สมับวันนี้ก็ขอยุติไว้เวลาเป็นตรนนี้ที่สุดนี้ก็ความเจริญงอก ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแต่สัญชาชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านถือ